ท่านฟังที่ครบคะ่ะท่านที่คอยฟังว่าเอ๊ะวันนี้ท่านเพบุญจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยเรื่องอะไรอีกเพื่อจะได้พ่อคูนความรู้สังสมสุดตาเกี่ยวกับพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เวลาแล้วนะคะเรามานมัสการท่านเพียบุญพร้อมๆกันคะ่ะนมัสการกันท่านคะใช่อาจารย์พรค่ะท่านคะเรื่องสัมมาวาจาเนี่ยคะ่ะอพูดถึงดิฉันต้องพูดทุกวันเลยนะคะต้องกราบเรียนท่านด้วยว่า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 บไท .ORG แล้วก็ไปที่ Facebook แล้วก็ให้ไปร่วมกันลงชื่อหรือว่าถ้าไม่สะดวกไม่อะไรเนี่ยก็ให้ไปตามบิ๊กซีใช่ไม้มที่เขาจะมีเขียนใบโพให้ไปติดหรือถ้าไม่สะดวกะอะไรเลยนันจิตของเราให้ตั้งไว้ในการที่จะมีสัมมาวจาระไม่ได่าใครไม่ว่าใครคทำยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอให้ตั้งใจที่จะทาไว้ก่อนให้ตั้งใจไว้ก่อนทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง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 ก็ท้าทายนะคะท่านไม่ใช่ทําง่ายๆแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินไป ừ ừ, แล้วมันก็ทําให้เราดูเหมือนว่ามีกิจกรรมที่สร้างสารรค์ประจําตัวแล้วทาให้เราลึกรู้ได้ในฝันอย่างที่กลาบเรียนท่านนั่นแหละคะ่ะอว่าในฝันเนี่ยเหมือนกับกําลังหนาหมั่นไส้จังพูดในนี่ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลับใจไม่พูด อ, <laughs> อันนี้เป็นการระงับยับยั้งใจในฝันอแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งไม่สบายใจท่านคะที่อยากจะกราบเรียนถามท่านอันนี้เป็น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 ถ้าไม่เจตนาเนี่ยความเป็นบาปเนี่ยมันก็ไม่มีถือว่าไม่ได้เป็นกรรมเราก็เราก็ไม่ได้เจตนาจะฆ่าเขาซึ่งตรงนี้ต้องทำความเข้าใจเรื่องศีลให้ให้ละเอียดนิดหนึ่งศีลเนี่ยเพราะว่าพระพาทธาบอกว่าเป็นความปกตนะิความปกติของใครคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็ต้องมีความเป็นปกติของคน ข, ของคุณนะ่ะถ้าคุณเป็นคารวะใช่ไหมคารวะเขามีปกติกันแบบนี้ถ้าเป็นสมมนะนะเขาก็จะมีปกติกันอีกแบบหนึงนะ่งความเป็นปกติของคารวะคืออะไร ความเป็นปะกะติของคาราวาสเนี่ยนะเขาจะมีเจตนาตั้งใจในการที่จะไม่ฆ่าความเป็นปะกะติของคาราวาสเนี่ยคือเจตนาที่จะไม่ลักทรัพย์ความเป็นปะกะติของคาราวาสเนี่ยก็ ค, คือมีเจตนาที่จะไม่ Yoon. ไม่ประพฤติผิดในกาบความเป็นปะกะติ ข, ของคาราวาสอีกอย่างหนึ่งก็มีเจตนาในการที่จะไม่พูดโกโหกไม่พูดส่อเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะัลักษณะอย่างนี้ทีนี้ความเป็นปะกะติตรงนี้ถามว่า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 ถามว่านนะักโทษคนนั้นที่อยู่ในห้องขงังคนเดียวของยังไม่หาเลยนะก็ไม่มีศีลนะไม่มีศีล เ, เพราะว่าเขามีเจตนาในการที่จะขโมยอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่มีโอกาสทํานั้นเองนะก็ชื่อว่าเขาไม่มีศีลเพราะเขาเขาไม่ได้มีปกติในการที่จะไม่ขโมยแต่เขามีปกติในการที่จะตั้งใจซึ่งในการขโมยอยู่เป็นประจำเพราะฉนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นเรื่องของใจ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 ความมีศีลเนี่ยความเป็นปกติของเราอยู่ที่ใจศีลอยู่ที่ใจศีลที่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีของหายหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคนคตายหรือไม่หรือมีสัสตว์ตายหรือไม่เท่า น, นั้นเองค่ะก็คงทําให้มีกําลังใจในการรักษาศีลมากขึ้นพราะวดูเหมือนกับก็ง่ายดีนะคะขอให้เราตั้งใจมากๆ <c oughs> ว่าเราจะเป็นผู้ที่รักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าที่ฉันเพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์ค่ะบางเอิญน่าจะเป็นท่านสมเด็จวัดปากน้ํา ที่ท่านได้พูดถึงว่าศีลห้าเนี่ยทำให้เกิดความสันติสุขบนโลกนี้ได้แน่นอนเป็นอย่างนั้นอย่างไรครัท่านคะเพราะว่าเราเราดูพุทธวจนะเลยเพระเจ้าจักรพรรดิ ท, ที่ปกครองทั่วพื้นแผ่นดินที่มีมหาส ม, มุทรเป็นขอบเขตปกครองด้วยอะไรปกครองด้วยศีลห้าคุณยมติว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 เราไม่ต้องมีสิ่งก่อสร้างอะไรมากมายคจะมีก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกคนมีสีห้านะโอประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกค่ะก็เท่ากับว่าบางคนเนี่ยอาจจะเห็นปัญหาบ้านเมืองแล้วมีความทุกข์เรามีสิทธิ์ที่จะรักษาสีอย่างนั้นหรื อ, อยังไงคะใช่เราต้องรักษาสี น, นะคะการรักษาศีของเราอย่างไม่น่าเชื่อนะคะ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 ทำนายว่าโลกจะแตกแล้วพอถึงวันที่เขาทานายไว้โลกมันไม่แตกกกมีการทํานายใหม่ด้วยนะคะว่า <c oughs> ไม่เป็นไรขออภัยครั้งนั้นทํานายผิดเอาเป็นว่าจะมาอีกแน่นอนในเดือนตุลาคมนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วบางคนก็คล้อยตามเหมือนกันนะคะขนาดว่าครั้งแรกผิดพลาดขนาดนั้นก็ยังไม่ไวายที่จะคอยว่า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 วินาทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสำคัญที่สุด okay. ค่ะอะวิธีคิดแบบดิฉันนะคะอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าถูกต้องหรือไม่คือ <c ười> ถ้าเพื่อนสนิทกันคนสนิทสนิทกันดิฉันที่พูดว่าเราก็ว่าทำบุญเยอะนะอืทําดีมากพอสมควรทีเดียวแล้วคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่จะไปสวรรค์อืมแต่ว่าขี้เกียจคอยก็คือ อยากขึ้นสวรรค์นาทีนี้ก็จะทําความรู้สึกให้เหมือนกับว่าทําทุกอย่างที่ดีที่มันเหมือนกับจิตใจเราสบายอมไม่มีความเดือดร้อนอในเวลานี้อค่ะจะเข้าหลักธรรมะอะไรบ้างไหมคะสวรรค์อของดิฉันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรออนาคตข้างหน้าอย่างนี้ค่ะก็มีพุทธประชนาที่บอกว่าสวรรค์นี่ก็คือความสุขตั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจ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 แค่นั้นอ่ะอยู่ช่วงระหว่าง <c ười> จากบ้านไปที่ทำงานก็ดีแล้วคื อ, อวิธีการของดิฉันก็คือเวลาเจออะไรมากระทบแล้วไม่สบายใจเนี่ยจะกลับมาระลึกถึงลมหายใจเดียวนั้นอื <c ười> ก็รูส้สึกสบายๆมันไม่ได้เป็นสวรรค์หรูหราอะไรนะคะแต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายใชส่สวรรค์คิดว่าสวรรค์ที่หรูหราอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะอย่างสู้อย่างที่ใจสบายเนี่ยไม่ได้อืมค่ะก็หน้าที่จะ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 ไถ่าถามคำถามอะไรกับท่านภัยบู์นะคะก็ที่ w o r l d w i d e p i t h a m a c o m 1 0 6หรือว่าจะส่งมาที่นี่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะ022690006ท่านที่มีความต้องการหนังสือเราแจกประละสามเล่มอพินันธนาการจากท่าอาจารย์คือกริชโสดทิพย์ลวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิ์ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีซีดีให้กับท่านที่มีความประสงค์